สองทุติยาปาติเทสนียศิขาบทว่าด้วยการไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบ่งการเรื่องภิกษุณีชัวพัี557สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายต่างรับนิมนต์ชันในตระกูลพวกภิกษุณีชัวพัีมายืนบงการเพื่อพวก ภิกษุชัพกคีว่าพวกท่านจงถวายแกงที่นี้จงถวายข้าวสุกที่นี้พวกภิกษุชาวพกคีได้ชันตามต้องการภิกษุเหล่าอื่นไม่ได้ชันตามที่คิดไว้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามพลทนาว่าฉนาพวกภิกษุชาวพกคีจึงไม่ห้ามพวกภิกษุณีผู้คอยบงการเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชวพกคีโดยประการต่าง